50 languages. 24. ่สการนัดหมายมูลค่าคุณพลาดรถโดยสารหรือเปล่าคะคิดถึงดีบัสะนิ่งลือกอีดิฉันรอคุณครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะ แมं 45นาทีตดีคม้45นาทีุดีูดีรซคุณมีมือถือติดตัวไม่ใช่หรือคะที่ทุหาดีโลลมูบิลฟอนนไม่เยอะครั้งหน้าขอให้ตรงเวลานะคะอัลลีวาร์ีกสมทย์อนครั้งหน้านั่งแท็กซี่นะคะ อักลีวารแท็กซี่เลกยอนครั้งหน้าเอาร่มมาด้วยนะคะอักลีวารอาปเน ल ए าล त อกชตรีเลกยอนพรุ่งนี้ดิฉันหยุดค่ะคัลเมรีชุด ट ी है พรุ่งนี้เราจะพบกันดีไหมคะคคัลขอโทษค่ะ พรุ่งนี้ไม่ได้ค่ะมा फ กันนะคัลแม่ไม่มาสักคाางก์มอบกันนะคัลแม่ไม่มาสคสุดสัปดาห์นี้คุณมีอะไรทำหรือยังคะคื त ต इस อ फ สห์สัปดาหเดออัครีร์เลยเป็นไล่โปรแกรมบานายสีหรือว่าคุณมีนัดแล้วคะจ้าตัวคิเซนูมิลานวาลา ีฉันเสนอให้เราเจอกันวันสุดสัปดาห์เมรายิอสิอาวิเราไปปิกนิกกันดีไหมคะคิอสิปิกนิกเลเราไปชายหาดกันดีไหมคะิเราเราไปเที่ยวภูเขากันดีไหมคะ ดิฉันจะไปรับคุณที่ทำงานเมตินูด فتر ตัวเลี้ยลวังกานมตินูด فتر ตัวเลี้ยลวังกีดิฉันจะไปรับคุณที่บ้านเมตินูคา a ์ตัวเลี้ยลวังกาเมตินูคาร์ตัวเลี้ยลวังกีดิฉันจะไปรับคุณที่ป้ายรถโดยสาร मैं त े न े न बस स्टॉप तो ले ल व ां ग ा मैं त े न े न बस स्टॉप तो ले ल व ां ग ी